ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะได้เวลาการกลับมาเจอกันแล้วก็มาฟังกันกับเรื่องดีๆที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะมาถึงตอนที่5ของ Animal f a r ร์มสงครามกบฏของสัพสัตจอร์ดออเวลนะคะ ปาเป็นภาษาไทยคุณบัญชาสวรรณนน์ค่ะดิฉันบรัสมีมณีนินก็หยิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันเรื่องราวของบรรดาสัรพสัตทั้งหลายที่ยึดอำนาจจากมนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มและหลังจากนั้นก็มีการบริหารจัดการดูแลกันเองด้วยความสุขด้วยความมุ่งมั่น แต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะในกลุ่มของสัตว์ด้วยกันเองก็ใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียทั้งหมดความเดิมตอนที่แล้วค่ะนโปเลียนไล่สโนโบอลด้วยหมาที่เลี้ยงเอาไว้จากนั้นนโปเลียนก็ยึดอำนาจดูแลแอนิมอลฟาร์มมีการดำเนินการสร้างโรงสีมีการย้ายหมูไปอยู่ในบ้านของนายโจนส แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างซึ่งขัดกับข้อห้ามที่เคยห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้สัตว์ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเถียงค่ะเพราะว่าตอนนี้หมูทรงอำนาจที่สุดวันหนึ่งโรงสีที่สร้างไปเกิดพังทลายลงมานาโปลเลียนบอกว่านี่เป็นฝีมือของสโนบอลจากนั้น ก็ชวบนบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างโรงสีขึ้นมาอีกครั้งและพยายามบอกว่า Animal Farm you, Di, ู u ดีมีสุขการพยายามที่จะสร้างภาพตรงนี้ทำผ่านวิธีการที่อาศัยนายวิมเปอร์ซึ่งเป็นนายหน้าของฟาร์มคือตอนนี้เนี่ยมีการอาติดต่อนายวิมเปอร์ให้เป็นนายหน้า เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์ใน Animal f ฟ r ร์มบรรดาผู้คนก็ไม่เชื่อละค่ะว่าสัตว์จะสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้บรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งตอนนี้นำโดยนบโปเลียนก็พยายามที่จะปล่อยข่าวนะคะสร้างกระแสว่าโอ้ยอยู่ดีมีสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ปล่อยข่าวผ่านนายวิมเปอร์หวังจะให้นายวิมเปอร์เนี่ยเอาไปกระพือข่าวข้าขงนอก แต่เรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรนะคะการที่สัตว์ต่างๆต้องมาดูแล ก, กันเองการที่นโปเลียนมีปัญหากับสโนอบอลถึงกับขับไล่สโนอบอลออกไปและตอนนี้นโปเลียนก็เป็นใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับ Animal Farm ตอนที่5ช่วงที่1ค่ะ ถึงปลายเดือนมกราคมเห็นได้ชัดว่าจะต้องห า, มาเมล็ดข้าวจากที่ไหนสักแห่งในช่วงเวลานั้นนโปเลียนไม่ค่อยปรากฏกายต่อสาธารณะแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ครุกอยู่ในบ้านและก็มีสุนัขท่าทางดุร้ายคอยเฝ้าประตูตาะละบานเอาไว้เหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดและเมื่อนโปเลียนปรากฏตัว ก็มักจะต้องมีพิธีรีตองเช่นมีสุนัขอารักขาถึง6ตัวคอยห้อมล้อมอย่างใกล้ชิดและก็มีการคูคำรามถ้าใครเข้ามาใกล้นโปรเลียนเกินไปบ่อยครั้งที่นโปรเลียนไม่มาปรากฏตัวแม้แต่ในเช้าวันอาทิตย์แต่ออกคำสั่งผ่านหมูตัวใดตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นเจ้าสควิลเลอร์นั่นเอง เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งสซคิวเลอร์ประกาศว่าแม่ไก่ซึ่งเพิ่งจะเข้ามาวางไข่อีกจะต้องยอมเสียสละไข่นโปเลียนได้ตกลงทําสัญญาผ่านทางนายวิมเปอร์ว่าจะส่งไข่สัปดาห์ละ400อฟองและก็เงินค่าขายไขย่จะพอจ่ายค่าเมล็ดข้าวและแป้งข้าวสาลีพอที่จะเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มไปได้จนกว่าจะถึงฤดูร้อน และสถานการณ์คลี่คลายลงแม่ไก่ได้ยินก็โวยวายค่ะจริงๆมันก็พอจะรู้มาบ้างแล้วมีคนบอกนะคะว่ามันอาจจำเป็นต้องเสียสละเช่นนี้แต่แม่ไก่ก็ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงๆมันเพิ่งจะวางไข่ชุดแรกเสร็จแล้วก็พร้อมจะกกไข่ในฤดูใบไม้ผลิแม่ไก่บอกว่าถ้าเอาไข่ไปตอนนี้ ก็เท่ากับเป็นการฆาตกรรมกันดีๆนี่เองนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ขับไล่ในโจนสที่เกิดเหตุคล้ายการกรบฏนำโดยแม่ไก่รุ่นพันแปรน้มอรกาสามตัวแม่ไก่ขัดขืนไม่ยอมแม่ไก่แสดงการขัดขืนโดยการบินขึ้นไปบนจันทันเพื่อที่จะออกไขใ่ให้หล่นลงมาแตกเละเทะที่พื้นปรากฏว่านโปเลียน สั่งการอย่างรวดเร็วและก็โหดเหี้ยมโดยการงดการปันส่วนอาหารให้แก่แม่ไก่และก็สั่งบอกว่าหากสัตว์ตัวไหนให้อาหารแม่ไก่แม้แต่ข้าวสาลีเพียงมเมล็ดเดียวก็จะถูกลงโทษถึงแก่ชีวิตสุนัข ก, กวดขันให้สัตว์ทําตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแม่ไก่ทนอยู่ได้5วันก็ยอมแพ้และก็กลับเข้าลา่า ในระหว่างนั้นแม่ไก่ตายไป9ก้าตัวมีการนำซากไปฟังเอาไว้ในสวนและก็ออกข่าวว่าแม่ไก่เป็นโรคบิดตายนายวิมเปอร์ไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่ได้ข่าวเรื่องนี้ไข่ก็มาส่งตามที่ตกลงกันไว้มีรถตู้จากร้านขายของชำ ม, มาที่ฟาร์มสัปดาห์ละครั้งเพื่อขนไข่ไก่ไป ในระหว่างนี้ไม่มีการพูดถึงสโนบอ l ลอีกลือกันว่ามันหลบซ่อนอยู่ในฟาร์มข้างเคียงแห่งใดแห่งหนึ่งอาจจะเป็นฟาร์ม Foxwood หรือว่า Finchfield ตอนนี้ถือว่านปโปเลียนมีความสัมพันธ์กับฟาร์มอื่นๆดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเล็กน้อยแล้วก็มีการพบว่า มีไม้สุงกองอยู่นานนับ1ิบปีตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการหักร้างถางโค่นต้นบีชลงไปหมู่หนึ่งไม้ตากแดดตากลมจนอยู่ตัวดีแล้วนายวิมเปอร์ก็แนะนำให้นบโปเลียนเอาไม้ไปขายนายพิวคิงตันและนายเฟดูริกเจ้าของฟาร์มข้างๆก็อยากจะซื้อนโปเลียนลังเลคิดไม่ตกว่าจะขายใครดีระหว่างนายพิวคิงตันและก็นายเฟดริก สังเกตได้ว่าเมื่อนโปเลียนดูเหมือนจะตกลงกับนายเฟดริกได้ก็มีการประกาศว่าสโนโบอลหลบซ่อนอยู่ที่ฟาร์ม ฟ, อฟ็อกบูดแต่เมื่อใดที่นโปเลียนเปลี่ยนใจโอนเอ็นมาทางนายพิวคิงตันก็มีการกล่าวว่าสโนโบอลหลบซ่อนอยู่ที่ฟาร์มพินช์ฟิลด์ตอน ต, อนตอน้นฤดูใบไม้ผลิ ก็เกิดเรื่องที่น่าตกนกปรากฏว่าสโนบอแอบมาที่ฟาร์มในตอนกลางคืนพวกสัตว์พากันวิตกจนไม่เป็นอันกินอันนอนกล่าวกันว่าสโนบอดอดเข้ามากลั่นแกล้งต่างๆนานาในเวลามืดมันขโมยข้าวสาหลีคว่ำถังนมทำไข่แตกแล้วก็เหยียบย่ำทำลายแปลงเพาะพืชแถะเปลือกต้นไม้ผล เมื่อมีอะไรผิดพลาดไปก็มักกลายเป็นว่าต้องกล่าวโทษโนบอลเอาไว้ก่อนหากหน้าต่างแตกหรือว่าท่อน้ำตันก็ซ่องวีสัตว์บางตัวบอกว่าโนบอลนี่ลหละแอบย่องมาทำเอาไว้เมื่อคืนเมื่อกุญแจโรงเก็บอาหารหายไปสัตว์ทั้งฟาร์มก็เชื่อแน่ว่าไอ้เจ้าโนบอลนี่ล่ละเอาไปโยนทิ้งลงบ่อหน้าแปลกที่พวกสัตว์ยังพากันเชื่อเช่นนี้ แม้จนกระทั่งเมื่อพบกุญแจดอกนั้นแล้วว่าจริงๆไม่ได้หายแต่วางเอาไว้ผิดที่จนโดนถุงอาหารป่นทับก็เลยหาไม่เจอแม่บัวพากันประกาศเสียงเดียวกันว่าสโสนโบอแอบย่องเข้ามาในคอกแล้วก็แอบมารีดนมไประหว่างที่พวกมันหลับอยู่แล้วก็บอกว่าพวกหนูซึ่งรบกวนมากเป็นพิเศษในหน้าหนาวปีนั้น ตอนนี้ก็กลายเป็นพวกเดียวกันกับสโนโบอรไปแล้วนโปเลียนบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้จะต้องมีการสืบสวนกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเจ้าสโนโบอรนโปเลียนออกสำรวจตรวจตรารอบๆ อ, อาคารพร้อมกับสุนัขคอยอารักขาคือพร้อมกับบอดี้การ์ดแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆตามกันไปเป็นพรวน เดินไปได้สองสก้าวสโนบอลก็หยุดแล้วก็สูดดมกลิ่นที่พื้นเพื่อหาร่องรอยของสโนบอลนาปเรียนบอกว่ามันสามารถจะจำกลิ่นสโนบอลได้มันดมทุกซอกทุกมุมทั้งในโรงนาโรงบัวเล้าไก่ไร่ผักแล้วก็พบร่องรอยของสโนบอลแทบทุกแห่งมันเอาจมูกจอพื้นดินสูดดมลึกหลายครั้ง แล้วก็เปร่งเสียงที่น่ากลัวว่าชาวสโนโบอลมันมาที่นี่ฉันได้กลิ่นมันถนัดจมูกทีเดียวเชี่ยวเวลาที่นโปเลียนพูดคําว่าสโนโบอลขึ้นมาสุนัขทุกตัวที่คอยอารักขาก็จะส่งเสียงคำรามฮือแห่ย่างน่ากลัวพร้อมกับแยกเขี้ยวบรรดาสัตว์ในฟาร์มต่างก็หวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าสโนโบอลเป็นอิทธิพลอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็น แทรกอยู่ในอากาศโดยรอบกายขมขู่พวกมันด้วยพยันตรายต่างๆนานา n. ในตอนเย็นสกิ e เลอร์เรียกประชุมสัตว์และประกาศด้วยสีหน้าตื่นตระหนกว่ามีข่าวร้ายจะมารายงานสาหัสหสกิ e เลอร์ร้องแล้วก็วิ่งเหาะๆไปมาด้วยอาการมิตกร้อนรนเกิดเรื <What>. <S <S ่องเลวร้ายมากขึ้นแล้ว เจ้าสโนบอลไปเข้าพวกกับนายเฟเดริกแห่งฟาร์มพินช์ฟิลด์และตอนนี้ก็กำลังวางแผนที่จะโจมตีพวกเราแย่งฟาร์มไปจากเราสโนบอลจะเป็นมักคุเทศนำทางเมื่อเริ่มโจมตีและที่ร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือเราเคยคิดว่าสโนบอลกบดเพียงเพราะความหลงทนงตนและความมักใหญ่ใ่สูงแต่พวกเราเข้าใจผิดไปถนัดเลยสหายท่านรู้หรือไม่ว่า อะไรเป็นเหตุผลที่แท้จริงจริงๆแล้วสโนบอลสมคบกับนายโจรมาตั้งแต่ต้นมันเป็นสายลับให้กับนายโจนมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้พิสูจน์ได้จากเอกสารที่มันทิ้งเอาไว้และเราเพิ่งจะค้นพบเช่นเห็นว่าเรื่องนี้อธิบายเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายทีเดียวเราไม่ได้เห็นกันมาแล้วด้วยตัวของเราเองหรือว่าสโนบอลพยายามทําให้เราพ่ายแพ้และถูกทำร้ายในสืกคอกวัว แต่ก็โชคดีที่มันทําไม่สําเร็จบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็อึ้งกันไปหมดเลยความชั่วร้ายครั้งนี้มันชั่วร้ายยิ่งกว่าการที่สโนโบอล์ทาลายโรงสีลมซะอีกนานหลายนาทีกว่าสัตว์จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินต่างจำได้หรือคิดว่าจำได้ ว่าเห็นสโนบอวิ่งโร่นำหน้าสัตว์ตัวอื่นๆออกไปในสึกอคอกวัวเห็นสโนบอพยายามปลุกระดมและกระตุ้นให้กำลังใจอยู่ทุกครั้งแล้วก็เห็นว่าไอ้เจ้าสโนบอเนี่ยไม่เคยหยุดเลยแม้ว่าจะโดนลูกกระสุนจากปืนของนายโจนส์ถากหลังไปตอนแรกสัตว์ก็ยังนึกกันไม่ออกว่าภาพทั้งหมดนี้มันมันไปกันได้กับข้อกล่าวหาว่าสมคบกับนายโจนส์ตามที่สควีเลอร์กล่าวหาได้ยางไร แม้แต่บ็อกเซอร์ซึ่งไม่ค่อยถามอะไรก็ยังงงบ็อกเซอร์นั่งงอขาหน้าพับเข้าหาตัวหลับตาแล้วก็ใช้ความคิดฉันไม่เชื่อหรอกสโนโบอลต่อสู้อย่างกล้าหาญในสึก ข, ขอกวัวฉันเห็นมากับตาตัวเองเราไม่ได้ยกย่องสโนโบอลให้เป็นวีรสัตว์ชั้นหนึ่งในทันทีหลังจากนั้นหรือนั่นเป็นความผิดพลาดของเราเฮลลาสหาย แต่ตอนนี้เรารู้แล้วมีเขียนอยู่ในเอกสารลับที่เราค้นพบว่าที่จริงสโนโบอลพยายามจะล่อลวงเราไปสู่หายนะแต่เขาได้รับบาดเจ็บนี่นะเราเห็นเขาวิ่งไปในขณะที่เลือดท่วมตัวบ็อกเซอร์กล่าวแต่สควิลเลอร์ก็ไม่ยอมแพ้นั่นแหละมันนัดแน่กันเอาไว้แล้วอย่างไรเล่านายจรน ยิ่งโดนแบบถักถากไปเท่านั้นเองฉันจะเอาเอกสารที่มันเขียนมาให้ดูก็ได้ถ้าท่านสามารถจะอ่านออกแผนการนี้มีว่าในช่วงเหตุการณ์กำลังวิกฤตสโนโบอลจะส่งสัญญาณให้หนีและก็ทิ้งข้าศึกเอาไว้กลางสนามมันเกือบจะทำได้สำเร็จจริงๆซะด้วยฉันอาจจะพูดได้ทีเดียวนะว่ามันคงจะทาสาเร็จไปแล้ว หากไม่มีท่านพูนนำพวกราหารก็คือสหายนโปเลียนพวกท่านจำไม่ได้ห ร, หรืึตอนที่นายโจนและพรกพวกเข้ามาในลานจูจูสโนบอล ก, ก็เพ่นหนีแล้วก็มีสัตว์หนีตามไปด้วยอีกหลายตัวท่านจําไม่ได้อีกด้วยหรือว่าตอนนั้นเองคณะที่สัตว์กําลังแตกตื่นผวาและ้วั็สับสนสหายนโปเลียนได้กระโจนรุก พร้อมร้องว่ามนุษย์จงพินาศแล้วก็กัดที่ขาของนายโจนส์ท่านจะต้องจำเรื่องนั้นได้แน่ทีเดียวใช่ไหมสหายสควิลเลอร์กล่าวพลางโยกตัวไปมาครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความวุ่นวายสควิลเลอร์พรรณนาฉากเหตุการณ์อย่างเห็นภาพชัดเจนพวกสัตว์รู้สึกเหมือนว่าจำได้ ถึงอย่างไรก็จำได้ว่าในช่วงวิกฤตของการต่อสู้สโนบอลหันหลังเพนหนีไปแต่บ็อกเซอร์ยังไม่ค่อยสบายใจฉันไม่เชื่อว่าในตอนแรกนั้นสโนบอลจัดทรยศบ็อกเซอร์กล่าวออกมาในที่สุดสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉันเชื่อว่าตอนสึกขอกวัวเขาเป็นสหายที่ดีของพวกเราควิลเลอร์ก็บอกว่าสหายเนโปลียนผู้นำของเราได้กล่าวย้ำเอาไว้อย่างแน่ชัดย้ำอย่างแน่ชัดทีเดียวว่าสโนโบอลเป็นสายลับของนายโจสมาตั้งแต่ต้นใช่และตั้งแต่ก่อนที่จะมีใครคิดถึงเรื่องการปฏิวัติโซเดซัมถ้าเช่นนั้นก็นแล้วไปถ้าสหายัยเนปโปลีนกล่าวเช่นนั้น มันก็คงจะถูกต้องแล้วต้องอย่างนั้นสิเพื่อนสควิลเลอร์ร้ อ, รองมันปลายหางตาเล็กหยีมาทางบ็อกเซอร์ด้วยประกายของความมาดปลายสควิลเลอร์รอหันหลังจะเดินไปแต่แล้วก็หยุดแล้วก็หันมากล่าวว่าฉันขอเตือนสัตว์ทุกตัวให้คอยเปิดหูเปิดตาระวังระวายเอาไว้ด้วย เพราะเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าตอนนี้มีสายลับบางตัวของสโนบอลเข้ามาแทรกอยู่ท่ามกลางพวกเราแล้ว4วันต่อมาตอนบ่ายแก่ๆนโปเลียนสั่งให้สัตว์ทุกตัวมาชุมนุมกันที่ลานเมื่อสัตว์มาพร้อมกันแล้วนโปเลียนก็ออกมาจากเรือนมันประดับกายด้วยเหรียญทั้งสอง เหรียญทั้งสองนี้ก็คือเหรียญวีรศัตว์ชั้นหนึ่งและก็เหรียญวีรศัตว์ชั้นสองมันมอบให้กับตัวเองแน่นอนนะป ร, ะเริเยนปรากฏกายพร้อมกับสุนัขใหญ่ทั้งเก้าตัวที่วนเวียนอยู่โดยรอบส่งเสียงขู่คำรามที่ทำให้สัตว์อื่นๆเสียวสันหลังวูบจนต้องหมอบลงแล้วก็นิ่งเงียบอยู่ประจำที่ท่าทางดูจะรู้ร่วงหน้าว่ากาลังจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น นโปเลียนยืนกราดมองสัตว์ที่มาชุมนุมด้วยสายตาดุดันแล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องแหลมทันใดนั้นฝูงสุนัข ก, ก็กระโจนแล้วก็โผล่ไปงับหูสุกรทั้งสี่แล้วก็ลากตัวมาหมอบแทบเท้านโปเลียนในขณะที่สุกรหรือหมูตัวนั้นร้องลันด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หวาดกลัว like เลือดไหลาจากแผลที่หูหมูทั้ง4ตัวเมื่อสุนัข ได้ลิมรถเลือดแล้วดูเหมือนจะเกิดอาการบ้าเลือดขึ้นมาครุ่นสุนักสามตัวโผล่เข้ากัดบ็อกเซอร์ทากลางความประหลาดใจของทุกคนบ็อกเซอร์เห็นหมาหรือว่าสุนักโผล่เข้าใส่กระชูกีบตีนมะฮมาขึ้นยันสุนักเอาไว้ในกลางอากาศแล้วก็กดลงยันกับพื้นสุนักตัวนั้นร้องเองอีกสองตัวหางจุกก้นแล้วก็หนีไป บอกเซอร์มองนโปเลียนเป็นเชิงตั้งคำถามว่าจะให้เหยียบสุนัขให้ตายหรือจะให้ปล่อยนโปเลียนหน้าเปลี่ยนไปมันสั่งบ็อกเซอร์ให้รีบปล่อยบ็อกเซอร์ก็ยกเท้าขึ้นสุนัขคลานออกด้วยอาการฟกช้ำแล้วก็ร้องเสียงโหยหวนนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นความวุ่นวายนี้จะนาไปสู่อะไร ติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ Animal Farm ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่สองของตอนที่5นะคะ Animal Farm งานเขียนของจอร์ดออร์เวลค่ะ งานเสียดสีการเมืองซึ่งเป็นวรรณกรรมอมาตะที่ยังคงอ่านได้ดีอ่านได้สนุกอ่านได้ข้อคิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้บรรดาสัตว์ปกครองกันเองมีอำนาจในตัวเองเรียกว่าพวกมันได้บรรลุถึงความฝันที่เคยฝันเอาไว้แต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ราบรื่น อ, อย่างที่คิด เหมือนอย่างความวุ่นวายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามต่อนะคะว่าปัญหาใน Animal Farm มจะได้รับการจัดการสะสางอย่างไรและใครจะเป็นคนทําหรือว่าจะต้องช่วยกันทําหรือว่าจะต้องช่วยกันทําอย่างไรเอาละคะ่ะคุณฟังคะ่ะและตอนนี้ เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยกันลวกันว่าความวุ่นวายนี้จะจบลงอย่างไรนะคะกับเรื่องสนุกสนุกที่ให้แง่คิดใน a อน m มอ f ฟ r m มค่ะ ความวุ่นวายสงบลงในไม่ช้าสุนัขทั้งสตัวรีรอด้วยอาการตัวสัน่นสีหน้ามีพิรุษชัดเจนนโปเลียนสั่งให้สารภาพความผิดสุกรสี่ตัวคือพวกเดียวกับที่คัดค้านตอนที่นโปเลียนสั่งยกเลิกการประชุมทุกวันอาทิตย์สุกรหรือว่าเจ้าหมูทั้งสี่ตัว สารภาพแต่โดยดีว่าพวกมันได้ลักลอบติดต่อกับสโนบอลตั้งแต่ตอนที่สโนบอลถูกขับไล่ออกไปแล้วก็ได้ร่วมมือกับสโนบอลทำลายโรงสีลมแล้วก็ได้ตกลงกับสโนบอลว่าจะมอบ Animal f a r ร์มให้หนายเฟดริกเจ้าหมูทั้งสี่สารภาพด้วยว่าสโนบอลได้ยอมรับกับพวกมันแล้ววา่าสโนบอลเป็นสายลับให้กับนายโจนส์มานานหลายปีแล้ว เมื่อมูทั้ง4สารภาพจบสุนักก็กระโจนเข้าขย่ำคอนโปเลียนก็ถามอย่างเกลี้ยวกลาดว่ายังจะมีเรื่องอะไรสารภาพอีกหรือเปล่าแม่ไก่3ตัวซึ่งเคยเป็นการนำในการก่อกระบฏเรื่องไข่ก็ก้กาวออกมาสารภาพว่าสโนอบอลมาปรากฏในความฝันยุยงให้ขัดคำสั่งนโปเลียน แม่ไก่ทั้งสามจึงโดนสังหารเช่นกันจากนั้นห่านตัวหนึ่งกล่าวออกมาสารภาพว่าในระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อปีกลายได้ยักยอข้าวสาลีไว้หกรวงแล้วก็แอบกินตอนกลางคืนแม่แกอีกตัวหนึ่งก็สารภาพบอกว่าได้ฉี่ลงในบ่อน้ำดื่ม แล้วก็บอกว่าสโนบอลเนี่ยยุให้ทาแกอีกสองตัวสารภาพว่าได้คาตรกรรมแพะแก่ตัวหนึ่งที่จงรักภักดีต่อนโปเลียนเป็นอย่างยิ่งโดยการวิ่งไล่แพะแก่ตัวนั้นไป ร, บรอบๆกล่องไฟทั้งๆ ท, ที่มันป่วยและก็มีอาการไอสัตว์เหล่านี้ถูกสังหารในทันทีการสารภาพและการลงโทษ ด, ดาเนินต่อไปในลักษณะเช่นนี้ จนกระทั่งมีซากสัตว์กองสมุมอยู่ที่เท้าของนโปเลียนแล้วก็มีกลิ่นคาวเลือดคระครุงอย่างที่ไม่เคยประสบกันมาเลยตั้งแต่ขับไล่ในโจนส์ออกไปตายกันเป็นพรวนเลยทีเดียวเมื่อเหตุการณ์ความวุ่นวายสงบลงบรรดาสัตว์ที่ยังคงมีชีวิตรอดก็ค่อยคอยคลานออกไป ตัวสั่นงันงกและก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่าอะไรจะน่าตกใจกว่ากันความทรยศของสัตว์ที่สมคบกับสโนบอลหรือการลงโทษอันโหดเหี้ยมที่เพิ่งได้เห็นกับตาสมัยก่อนเคยมีการเสียเลือดเสียเนื้ออย่างโหดร้ายไม่น้อยไปกว่านี้แต่ทุกตัวรู้สึกว่าที่เลวร้ายกว่าเดิมก็คือเดี๋ยวนี้ สัตว์ทำร้ายกันเองนับตั้งแต่ในโจนส์พ้นจากฟาร์มจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีสัตว์ตัวใดฆ่ากันเองเลยแม้แต่หนูก็ยังไม่โดนฆ่าสัตว์พากันเดินมายังเนินเตี้ยที่สร้างโรงสีลมค้างเอาไว้ล้มตัวลงนอนอย่างพร้อมเพรียง เรากับจะซุกกายเบียดกันเพื่อความอบอุ่นโคเวอร์มิเรียเบนจามินแม่วัวแกะหานและก็แม่ไก่สัตว์ทุกตัวยกเว้นแมวซึ่งหายตัวไปก่อนที่นโปเลียนสั่งให้สัตว์มาชุมนุมสัตว์ทุกตัวต่างนิ่งงันอยู่พักใหญ่มีบ็อกเซอร์ตัวเดียวที่ยังคงยืนอยู่ ทำหยุกหยิกหยุกห ย, ยิกตวัดขนหางยาวสีดำปัดสีข้างบางครั้งก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาอย่างแปลกใจแต่ในที่สุดบ็อกเซอร์ก็เอ่ยขึ้นว่าฉัไ่ไหมขอใจเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในฟาร์มของเรามันคงต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างเป็นแน่ ฉันว่าจะต้องแก้โดยการทำงานให้หนักยิ่งขึ้นจากนี้ไปในตอนเช้าฉันจะตื่นก่อนเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงและบ็อกเซอร์ก็วิ่งขยโยกด้วยฝีเท้าหนักไปยังเหมืองหินพอไปถึงก็รวบรวมหินแล้วก็ขนไปที่โรงสีลมทำแบบนี้สองเที่ยวติดต่อกันก่อนจะเข้านอนในคืนนั้นคือบ็อกเซอร์นี่ก็มี อุดมการณ์มีความเชื่อว่าการทำงานหนักจะช่วยได้ทุกอย่างถ้ามาทำงานหนักทุกอย่างจะต้องดีขึ้นสัตว์พากันมาซุกกายข้างโคเวอร์อย่างเงียบเงียบเนินที่พวกมันมานอนกันอยู่มองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบเห็นฟาร์มได้ทั่วเรียกว่าแทบจะทั่วทุกมุมทั้งทุ่งหญ้ายาวเหยียด ไปจรดถนนใหญ่ทุ่งที่เกี่ยวฟางแล้วโด่งไม้บ่อน้ำดื่มทุง่งนาที่ไถหวานแล้วมีกล้าข้าวสาลีขึ้นดกดื่นอย่างเขียวขจีตลอดจนหลังคาโรงเรือนของฟาร์มมีควันลอยม้วนขึ้นมาจากปร่องไฟและเย็นวันนั้นอากาศปลอดโปรง่งตะวันยอแสงสีทอง ทาทาบอาบต้นหญ้าและพุ่มไม้ที่พริยอดพุ่งเสียดไปทุกทิศโดยรอบต้นสัตว์ไม่เคยรู้สึกว่าฟาร์มแห่งนี้ช่างเป็นสถานที่ที่น่าปรารถนาเช่นนี้มาก่อนแล้วพวกมันก็ระลึกขึ้นว่ น, นี่คือฟาร์มของพวกมันเองเป็นฟาร์มของพวกมันทุกกระเบียดนิ้วโคเวอร์มองลงมาจากเนิน ดวงตาปริมน้ำตาหากสามารถเอ่ยเอื่อนความคิดออกมาเป็นคาพูดได้มันก็คงจะพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกมันมุ่งหวังเมื่อปลายปีก่อนตอนที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่มนุษย์ออกไปในคืนที่ผู้พันปลุกใจให้ก่อกระบทสัตว์ไม่ได้มุ่งหวังเลยแล้วก็ไม่ได้คิดเลย ว่าจะต้องมาเจอเจอกับความโหดร้ายและการสังหารที่โหดเหี้ยมทารุณแบบนี้หากตอนนั้นได้นึกฝันถึงภาพในอนาคตก็คงจะเป็นภาพสังคมสัตว์ที่เป็นอิสระจากความหิวโหวยเป็นอิสระจากการถูกลงโทษ ด, ด้วยแซ้นึกถึงสังคมที่สัตว์ทุกตัวมีความเสมอภาคกัน แต่ละตัวทำงานตามความสามารถของตนโดยมีตัวที่แข็งแรงกว่าช่วยปกป้องตัวที่อ่อนแอกว่าเหมือนที่มันเคยใช้ขาหน้าปกป้องลูกเป็ดฟูงนั้นในคืนที่ผู้พันกล่าวสุนทรพจน์โคเวอร์ไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์มาถึงกลับกลายเป็นเช่นนี้พวกมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ช่วงเวลาที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยความในใจช่วงเวลาที่สุนัขดุร้ายเที่ยวขู่คำรามไปทุกคนทุกแห่งช่วงเวลาที่ต้องเห็นเพื่อนสัตว์ด้วยกันถูกฉีกทึงเป็นชิ้นชิ้นต่อหน้าต่อตาหลังจากสารภาพความผิดอันน่าตกใจจริงๆแล้ว โคเวอร์ Cover, ไม่ได้มีความคิดที่จะกระบฏหรือว่าต่อต้านมันรู้ว่าแม้สถานการณ์จะเลวร้ายแต่ว่าพวกสัตว์ก็ยังคงสบายกว่าในยุคสมัยของนายโจนส์และเรื่องที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือจะต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้มนุษย์หวนคืนมาปกครองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะรักษาความซื่อสัตย์ทางานหนัก ทำตามคาสั่งและก็ยอมรับนับปเรียนเป็นผู้นำแต่กระนั้นตัวมันเองและสัตว์อื่นๆก็ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งนี้มิได้ยอมลำบากตรากตรา ม, มาเพื่อสิ่งนี้มิได้สร้างโรงสีลมแล ะ, ะเผชิญลูกกระสุนปืนของนายโจนเพื่อสิ่งนี้นี่คือความคิดของโคเวอร์ที่มันไม่สามารถจะหาถ้อยคํามาพนันนาได้ จากนั้นโคเวอร์ก็เริ่มร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษด้วยความรู้สึกว่าเพลงนี้จะช่วยทดแทนถ้อยคำที่มันไม่อาจจะสรรหามาสื่อความในใจสัตว์อื่นๆที่นั่งรายล้อมโคเวอร์ก็พากันร้องตามถึงสามเที่ยวอย่างโหยหวน แบบที่ไม่เคยร้องมาก่อนพอร้องจบส q u วเลอร์ก็เดินเข้ามาหาเหมือนกับมีเรื่องสำคัญจะบอกสกิวเลอร์ไม่ได้มาตัวเดียวคะ่ะมาพร้อมกับหมาที่เป็นบอดี้การ์ดสองตัวสกิวเลอร์บอกว่าสหายนโปเลียน ah มีคำสั่งพิเศษให้ยกเลิกเพลงสัตว์แห่งอังกฤษจากนี้ไปห้ามร้องเพลงดังกล่าวอีก พวกสัตว์ก็ตกใจมิวเรียลก็ถามว่าทําไมสกิวเลอร์บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องร้องเพลงนี้อีกแล้วเพลงสัตว์แห่งอังกฤษเป็นเพลงแห่งการปฏิวัติแต่ตอนนี้เราปฏิวัติสําเร็จแล้วการประหารผู้ทรยศเมื่อตอนบ่ายวันนี้เป็นกิจสุดท้ายศัตรูทั้งภายนอกภายในพ่ายแพ้หมดแล้วในเพลงสัตว์แห่งอังกฤษ แสดงความปรารถนาสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตแต่สังคมอย่างที่ว่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแม้ว่าจะกลัวแต่สัตว์บางตัวก็อาจจะคัดค้านท่าตอนนั้นพวกแกะไม่แหกบากร้องขึ้นมาเหมือนเคยว่าสีขาดีสองขาเร็วพวกแกะร้องอยู่นานหลายนาทีเป็นอัญุติการโตเถียง ดังนั้นพวกสัตว์จึงไม่ได้ยินเพลงสัตว์แห่งอังกฤษอีกต่อไปแล้วก็มีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาแทนที่โดยกวีที่เป็นหมูชื่อว่ามินิมัสบอกว่า Animal Farm Animal Farm ข้าจักปกป้องเจ้ามิให้มีภัยคุกคามเพลงนี้ ร้องทุกช้าวันอาทิตย์หลังการชักธงแต่สัตว์เห็นพร้องกันว่าทั้งเนื้อร้องและทํานองสู้เพลงสัตว์แห่งอังกฤษไม่ได้เลยแต่ทิ้งจะสู้ไม่ได้ก็ต้องร้องเพราะนี่เป็นคำสั่งของนโปลเลียนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในขณะนี้ ไม่กี่วันต่อมาเมื่อความเสียขวัญอันเนื่องมาจากการประหารชีวิตเริ่มบรรเทาเบาบางลงสัตว์บางตัวก็เริ่มจําได้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีบัญญัติเจประการและข้อที่6กระบุว่าห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์อื่นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่นบุเรียนทำเนี่ยโอ้ ค่าไปต้องหลายตัวแม้ว่าจะไม่มีสัตว์ตัวใดคิดจะเอ่ยให้หมูหรือว่าหมาได้ยินแต่ก็รู้สึกว่าการสังหารที่เกิดขึ้นครั้งนั้นมันไม่น่าจะถูกต้องกับอุดมการที่เคยวางเอาไว้โคเวอร์ขอให้เบนจามินอ่านบรรยัติข้อที่6ให้ฟังเบนจามินบอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องทำนองนี้ไม่ยอมอ่านโคเวอร์ก็ไปตามมิเรียล มิวเรลก็อ่านบัญญัติให้โคเวอร์ฟังความว่าห้ามฆ่าสัตว์อื่นคือห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์อื่นโดยไม่มีสาเหตุหน่าแปลกที่สี่คำหลังนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดจำได้มาก่อนแต่ตอนนี้สัตว์ทุกตัวก็ประจักษ์กันแล้วว่าไม่มีการละเมิดข้อห้ามเพราะมีสาเหตุที่จะสมควรฆ่าสัตว์ทรยศที่ไปสมคบคิด กับสโนบอลอย่างชัดเจนคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอส้สคำหลังนี้มาได้ยังไงคือก่อนหน้านี้สัตว์ทุกตัวจําได้ว่าข้อห้ามมันมีแค่ห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์อื่นแต่ตอนนี้กลายเป็นห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์อื่นโดยไม่มีสาเหตุอันนี้มันมีสาเหตุใช่ไหมเวลาจะฆ่าใครก็สามารถจะหาสาเหตุได้ทั้งนั้นเป็นนั้นว่าข้อสงสัยนี้ก็ตกไป ตกไปแบบงงงงตลอดทั้งปีนั้นพวกสัตว์ทำงานหนักยิ่งกว่าที่เคยทำในปีก่อนการสร้างโรงสีลมขึ้นใหม่ให้ผนังหนากว่าเดิมเท่าตัวและต้องสร้างให้เสร็จทันกำหนดถือว่าเป็นงานที่หนักมากและก็ยังมีงานประจําตามหน้าที่ของตนในฟาร์มที่ต้องทำไปด้วยมีหลายครั้งที่พวกสัตว์รู้สึกว่า ต้องทำงานเป็นเวลานา น, านกว่าที่จะได้กินอาหารและอาหารก็ไม่ได้ดีไปกว่ายุคของนายโจนส์เลยทุกเช้าวันอาทิตย์สกวเลอร์จะใช้กีบเท้าขีบกระดาษแผ่นยาวแล้วก็อ่านรายการตัวเลขต่างๆที่ยืนยันว่ามีการผลิตอาหารทุกชนิดเพิ่มขึ้นถึง 200% 300% 500%, 500แล้วแต่กรณี พวกสัตว์ไม่เห็นว่าเหตุใดจึงไม่ควรเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันจำกันไม่ได้แน่ชัดว่าสภาพการในสมัยก่อนการปฏิวัตินั้นเป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายวันที่มันรู้สึกอยากให้ตัวเลขลดลงแต่อาหารเพิ่มขึ้นน่าจะดีกว่า ตอนนี้คําสั่งทั้งหลายจะมีการถ่ายทอดผ่าน s ซคิวเลอร์หรือว่าหมูตัวอื่ น, นในขณะที่นโปเลียนไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะบ่อยกว่าปักละครั้งเดียวและเมื่อมันปรากฏกายก็ไม่ได้มีเพียงเหล่าสุนักอารักขาหรือว่าสุนักบอดี้การ์ดคอยติดตามเท่านั้นแต่ยังมีไก่รุ่นขนสีดำตัวหนึ่งเดินนำแล้วก็ทาหน้าที่เป็นตแตร คอยโกงคอขันว่าเอ็กอีเอ็กเอ็กก่อนที่นโปเลียนจะกล่าวสุนทรพจน์กล่าวกันว่าแม้แต่ในเรือนในบ้านนโปเลียนก็จะอาศัยอยู่ในห้องชุดที่แยกจากไปตางหากจากหมูตัวอื่นๆมันกินอาหารตามลำพังแล้วก็มีสุนัขคอยเฝ้าอารักขาสองตัวและทุกครั้งจะใช้จานชามช้อนซ่อมชุดคราวดาบี อันนี้หมายถึงคราวดาบี้เป็นยี่ห้อชามกระเบื้องเก่าแก่ของอังกฤษนะคะก็คือไปเอาถ้วยชามของน า, ายโจนส์มาใช้แล้วก็มีการประกาศด้วยว่าจะมีการยิงปืนสลุดทุกปีในวันเกิดของนโปเลียนรวมทั้งวันครบรอบปีของโอกาสสำคัญอย่างอื่นอีกสองวันเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงนโปเลียนด้วยชื่อห้วนๆแต่จะเรียกอย่างเป็นทางการเสมอว่าท่านผู้นำสหายนโปเลียนและบรรดาพวกหมูก็ชอบคิดค้นสมญานามต่างๆให้เช่นบิดาแห่งสรรพสัตว์ผู้ขย่าวขวัญมนุษย์ผู้พิทักษ์ฝูงแกะเพื่อนแสนดีของลูกเป็ดหรือว่าอะไรทำนองนี้เวลาที่ กล่าวสุนทรพจน์ถึงนโปเลียนเจ้าสกิวเลอร์ก็จะมีน้ำผูน้ำตาไหลเมื่อเอ่ยถึงความเฉลียวฉลาดและจิตใจอันดีงามแล้วก็ความรักอันลึกซึ้งที่นโปเลียนมีต่อสัตว์ทั้งปวงทุกคนแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสัตว์ที่ยังต้องทนทุกข์อยู่ด้วยความเคราและความเป็นทาสในฟาร์มอื่นๆความสาเร็จหรือโชคดีประการใดๆก็มักจะยกย อ, ก, ยอ ก, กันอย่างเป็นปกติว่า เป็นเพราะนโปเลียนตอนนี้บรรดาสัตว์ก็จะมีการคุยกันว่าเพราะท่านผู้นำสหายนโปเลียนช่วยชีย้ทางให้พวกเราฉันก็เลยวางไข่ได้ถึง5้ฟองใน6วันใช่เพราะการนำของสหายนโปเลียนน้ำนี้จึงมีรสชาติดีนัก แล้วก็มีการแต่งบทร้อยกรองชื่อว่าสหายนโปเลียนประพันธ์โดยมินิมัสซึ่งเป็นสุกรกวีหรือว่าเป็นหมูที่เป็นกวีนะคะมีเนื้อความว่ามิตรแห่งสัตว์กำพร้าพ่อบ่อกเกิดแห่งความสุขประมุขแห่งถังเศษอาหารด่างไฟลานกระมลฆ่าเมื่อศบตาของท่านอันสงบนิ่งทรงอำนาจ ดุตตะวันกลางนภาอากาศสหายนโปเลียนท่านคือผู้ให้สัตว์พึงสิ่งพึงใจสัตว์ไฟหาอิ่มท้องสองเวลาฟางใหม่หนาเป็นที่นอนสภัสสัตทั้งน้อยใหญ่หลับสบายในคอกเลา้าท่านปกปักพิทักษ์เราสหายนโปเลียนแมนข้ามีลูกสุกรจะสั่งสอนก่อนเติบใหญ่ลูกเล็กรีบหัดไว้ ต้องฝึกให้จงรักท่านสื่อสัตว์และพักดีเสียงแรกนี้ที่ลูกร้องคือน้ำที่ควรแท่ซองสหายนาโปเลียนนาโปเลียนอนุมัติบทร้อยกรองนี้สั่งให้จารึกบนฝาผนังโรงนาใหญ่ตรงข้ามกับฝาด้านที่จารึกบัญญัติเจ็ดประการแล้วก็ข้างบนมีรูปวาดนาโปเลียน มีรูปใบหน้าด้านข้างวาดด้วยสีขาวด้วยฝีมือของสควิลเลอร์เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร <It> s <S <ๆ>ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะคะกับแอนิมอลฟาร์มสงครามของบรรดาสัพพสัตทั้งหลายงานเขียนเสียดสีเยอะอยันการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาโดยจอร์จออเวลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินร This is Thai PBS Podcasts This is Thai PBS Podcasts